ลบควมหลงถึงมันเป็นเพีองแบบดรอบเขียวข้าไปดูข้างสีบดี <S <S การปฏิวัติเป็นคํานอนเหมือนกันแตทางธรรมะลบด้วยทางพุทธศาสนาลบด้วยธรรมะลบด้วยความอดทนมึ่มม <S <S <น>งความต่อสานสารพัด อ, อย่างซึ่งอารมณ์ <S <S อันนี้เป็นทนทางแห่งคาวาพศรีเจ้า ธรรมะกับโลกมันก็เกี่ยวข้องกันนานมีธรรมมันก็มีโลกมีโลกมันต้องมีธรรมมีกิเลสจะมีผู้ที่มาสะสางกิเลสมีโลกสิ่งกิเลสทั้งหลายมีแต่กิเลสภายใ น, นนั้นในวิจิตรภายนอกต้องจับตุกตะเบิดจับปืนมาพขว้างกันมายิงกันเอาชนะเอาแพ้กันเอาชนะคนอนึ่งอนนั้นเป็นทางโลกเขา ทางธรรมะไม่ต้องรกกับใครเอาชนะใจเจ้าของเองอดทนต่อสู้กับอารมณ์ทุกอย่างมีมนุษย์เราทั้งหลายในโลกมีหน้าที่ที่จะทำาต่างกันอย่างนี้ทางธรรมะถ้าหากว่าเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ต้องก่อกรรมทาเบญจุนงการ ปวดต่อยความชั่วทั้งหลายออกจากกายออกจากใจเพราะปวเราตอนนั้นพ้นจากการอิจฉาพ้นจากการพยาบาทพ้นจากการจองเวรกันเวรอันไล่ที่มันจะระับไปได้เพราะเพราะการไม่จองเวรกันไม่ผูกเวรกันไม่จองเวรกันเหมือนกันการลุกโต มันจองเว้นกันส่งเหมือนกันกับลุกโซ่กรรมกับเว้นมันต่างกันแต่ว่ามันคล้ายกันกรรมทําแล้วก็แล้วไปไม่ต้องจองล่างจองสารกันดีอันนี้ดีกว่าเป็นกรรมก็ทําก็ทําแล้วก็เป็นกรรมเว้นหมายถึงการจองกันไม่อีกเองมาทำฉันฉันจะต้องทําเองต่อไป ที่ได้ผ่านต้องแก้แค้นกันอยู่มีดีอ ย, ยไปอย่างนี้เดี๋ยวเว้นนั้นไม่หรอรับเพราะการจองเวดเมื่อใดยังเป็นไปอยู่อย่างนี้มันก็เป็นห่วงโซ่มันต่อกันเป็นสายไม่จบไม่สิ้นพบไหนชาติอะไรก็ดีก็ต้องเป็นไปอยู่อย่างนั้นอันนี้พระบรมศา ส, สดาท่านสอนโลกทา่ทานตรัโลกท่านตรัสตัด อืแต่ว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้พูดที่มีปัญญาเกิด ม, มาแล้วก็ต้องพิจารณาเอาอะไรมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ก็พิจรารณาอนักลบ ร, ราค่ากคำนักอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยทำมาเหมือนกันแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรมันก็เป็นอยู่เฉพาะโต๊ะมีแต่เรื่องผูกกรรมผูกเย็นกันต่อไป ดังนั้นนักบวชนักพจมีขึ้นมาก็เพราะว่ามนุษย์เราเกิดมา20ปี21ปีนี้พ่อแม่เราจึงเอามาบวชมาบวชให้ดูต้นทางจะเอาอยัางไงกัน้นเราจะเอาอยัางไงกัน้นเนี่ยมีคือต้นทางที่ผมกันตั้งหลายมาอยู่นี้ มาอยู่ต้นทางใจมองเห็นว่าชีวิตพวกเราเกิดมาตลอดตั้งแต่เราเกิดมารู้เรียนสารในทำการงานพุกการตลอดถึงมาว่ายี่สิบอายุยี่สิบปียี่สปีนี้คงจะรู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรไปพอสมควรแหละ น, นะอันนั้นยังเห็นหน้าเดียวแต่นั้นมาประเพณีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อืม สายพระปรสนานั่นจป็นจับมาบวชคนอายุยี่สิบปีนี่ก็จะเต็มนะเต็มยี่สิบปีเลยมันเต็นที่ละจะทํางานอะไรทุกอย่างได้ทุกอย่างจะทําดีก็ได้ดีจะทําชั่วก็ได้ชั่วนี่คือพ่อแม่ของเราเนะ่ะที่เรามาบวชก็คือแบบบวชในพ่อเราบวชในแม่เราพ่อเราแม่เรา เมื่อพ่อเรายังอยู่แม่เรายังอยู่เป็นต้นแต่ก็ดีใจอดีใจในบวชลูกคนหนึ่งในบวชหลานคนหนึ่งพ่อแม่ดีใจหลายอเช่นม า, มาบวชอยู่ในพุทธศาสนานี่เช่นเราเคยอยู่ป่ากันนะถ้าว่ทาทำสงครามทำอะไรหยุดเมื่อไรพ่อแม่ก็นอนไม่หลับแล้วเป็นห่วงลูกลูกจปปะรบที่ไหน ไปประทะกันที่ไหนพ่อแม่กับไปรบกี่นั่นทำไมมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าการมาพันมันถึงกันไอความรักเนี่ยมันถึงกันความรักนี่มันถึงกันอันนี้เป็นเหตุเป็นสาเหตุที่พวกเราทุงหลายจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงกันมันพัวพันกันยังไงอย่างพ่อกับแม่กับลูก มันเป็นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นยี่คือประธานตัวประธานที่จะ เ, เกิดภพชาติให้ติดต่อเนื่องกันเป็นสายตลอดเวลาดังนั้นพ่อแม่เราเอามาปล่อยที่ส้นทางแล้วเราก็พิจารณาอปว่าจะเอาไงดีไปไงดีมันตัดของเราเองมาพิจารณาแล้ว จะไปทางสายไหนก็ต้องมาตกลงเนี่ยออกจากนีไฟที่มีบวชไปแล้วพ่อแม่ก็เนีด็ก ว, ว่าดีใจอะพอใจจะไปทํามาหากินที่ไหนพ่อแม่ก็สบายใจแล้วเพราะว่าส่งลูกไปทางแล้วลูกจะเดินไปทางไหนนั่นสายห้ลูกพิจารณาเอาแล้วพ่อแม่ก็ไม่เป็นห่วงมากเพราะว่าเห็นแล้วตามใจเแล้วที่พิธีนิมม์ไทยเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นบางคนที่มาบวช ยังไม่รู้อะไรมาบวชกันบางคนก็เรียนสูงๆมากับนี้สารพัดอย่างเกิเป็นมามาอบรมในการบวชมาการละความชั่วทั้งหลายแล้วมีศรัทธาเกิดขึ้นก็เลิกกันไปเลยไปเลย อ, อย่างนี้เป็นต้นบางคนก็กลับไปแต่กลับไปแล้วไม่ต่อสู้กับใคยเป็นต้นเลิอกอะไร ที่มันเป็นกรรมเป็นเวรก่อเลิกอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทางเราที่จะต้องตีเจตนาอืสายพระ ก, ก็ทําไปอย่างนี้แหละทําไปอย่างนี้เอาชนะตัวเองไม่เอาชนะคนอื่นเขาลบก็ลบเฉพาะเกเรตคือความรู้มันเกิดขึ้นมาก่อรบมันใน <c oughs> ความโกรธมันเกิดขึ้นมาก่อรบมัน ไอ้ความหลงมันโกรธไอ้ความเหลงมันเกิดขึ้นมาต่พยายามละมันเรียกว่าการลบการทําทำองครามด้านจิตใจกับกิเด็เนี่ยมันยากแสนยากแสนลําบากที่สุดอืมออืมันเป็นของยากมันเป็นของลําบากที่สุด <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราไม่รูบวดมาเราพอมาปีนาเรียนการลบ ลบลาคะลบโทสะรลบโมหะเอ๋อเจ็ดอยู่อย่างนี้ด้ไปอยู่ทางนอกเราก็รบอย่างหนึ่งอยู่ภายในวัดว า, ารามพุทธศาสนาก็รบไปอย่างหนึ่งอันนึงรบภายนอกอันนึงรบภายในยมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อมาถึงที่เราทั้งหลายนั้น ในมาบวชในฝึกหัดหลักพุทธศาสนาเช่นวัดประโพงเหล่านี้อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ลูกหลานคุณบุตรลูกหลานจะดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนามีการรักษาศีลมีการภาวนามีการทำกรรมฐานให้จิตใจมันสงบระงับ เมื่อจิตใจสงบระงับแล้วมันก็เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วมันก็มองเห็นทั่วทิศทั้งหลายอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้มันผิดอันนี้มันถูกจิตใจเราก็ฟองใสรู้จักเกิดปัญญารู้จักผิดรู้จากถูกรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จากคุณรู้จากโทษไอ้ความรู้นี้มันก็เกิดเป็นมาเพราจิตใจเรามันสงบจากอาสวะทั้งหลายอืม บางองก็ตัดสินใจเลย ว, ว่าทางนี้ถูกแล้วทางนี้สบายแล้วทางนี้ไมนมีเบียนมีไปแล้วเส้นทางที่สงบแล้วครันบนี่เดียกว่าการลบภายในหรือบกับกิริษฐทั้งหลายนี่อืมแต่ว่าน้อยคนน้อยคนที่จะรบจริจบดิษจะรบแตอย่างอื่นมากมายกิจิดฐ์ส่วนนี้ไม่ค่อยจะรบกันและไม่ค่อยจะเห็นกัน บัดนี้ก็กานปล่อยให้เราเป็นอิสระเป็นอิสระแล้วจะทำอะไรก็ได้จะสร้างคุณางามความดีต่อไปก็ได้ถึงที่แล้วนี่เรียกว่าพ่อแม่ของเราเน่มีอำนาจที่จับเรามาปล่อยไปต้นต่อนี้ต้นทางนี้แล้วเหมือนกัน ก, รการปฏิปุจจะท่านสอนว่าให้ละความชั่วทุกอย่างมาประพฤติความดีทุกประการ เป็นทางที่ถูกต้องแล้วท่านบอกอย่างนี้ก็เดียวท่านมาจัดตัวตัวพวกเราทา้งหลายมาปล่อยไปต้นทางมาถึงทางแล้วเราจะเดินไปหรือไม่เดินไปนั้นเป็นเรื่องของเราเรื่องของพระพุทธเจ้าก็หมดแค่นั้นที่ทางให้อันนี้ทางนี้มันผิดทางนี้มันถูกตอนนั้นพอๆแล้วการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นหน้าที่ของเราพ่อแม่เราก็เหมือนกันอย่างนั้น จะปฏิบัติเอาหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่จะดาเนินการประพฤติปฏิบัติอืย่างใดก็ตามตาวรอรมทานอะไรสักนิดหนึ่งเป็นต้วนพอให้เราเข้าใจอืมในกลุ่มชนทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติกันนี้มีความพร้อมเพียงกันประพฤติปฏิบัติอืมเมื่ออย่างน้อยก็ต้องมีปัจจัย เพราะเราได้เห็นเพราะเราได้ยินเพราะเราได้พูดเพราะเราได้ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเหตุให้มีปัจจัยมีอุปนิสัยให้เข้าสู่ทางพุทธศาสนาได้ดังนั้นเมื่อเรามาตกทางต้นทางนี้ก็เรียกว่าเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นเป็นอะไรกันแล้วก็ต้องศึกษาการศึกษานี้จะต้องอดทนจะต้องอดทน ต่อทุกสิงทุกอย่างเราในค่ายว่ามันเป็นนักศึกษาอย่างเราเคยศึกษาทางโลกมามันก็นยากลําบากพอสมควรที่จะมีความรู้วิชามาปฏิบัติการงานเป็นต้นนั่นยิ่ต้องข่มใจเราเมื่อใจเราเห็นผิดในใจเราไม่ชอบมันขี้เกลียดทั้งหลายเหล่านี้นั่นต้องข่มใจอย่างเนั้นความรู้นั่นจึงเกิดมีในใจของเราปฏิบัติการงาน การปฏิบัติงานทางพระนี่กูมันกนรนขัง น, นะเป็นตน้นถ้าหากว่าเราตั้งหัวตั้งใจประพฤติปฏิบัติพินิี่ิป็นณาตลอดสามเดือนขึ้นไปมากนี้คงงองเห็นทางพอสมควรถ้าเราตั้งใจแต่ว่าระบบอันใดที่เราตั้งใหวัดน้องโมโคงนี้ให้พวกท่านตั้งใจทำ ครูว่าอาจารนท่านพอทำอย่างไรประพฤติอย่างไรต้องพยายามทำระยะสามเดือนนี้อืพวกท่านทั้งหลายจะมีความรู้อพวกท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจอย่างน้อยก็รู้เรื่องของธธรรา พ, าภภพุณศาสตรศาสนาพอสมควรการบวชในสมัยนี้อันนี้เลยมาบวชต้นล้นโกงนะเลยทาอย่างนี้นะถ้าบวชที่อื่นไม่ได้ทําอย่างนี้เนาะให้รู้เรื่ ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่รู้จักว่าจะกราบยังไงไหวยังไงนั่งสมาธิยายไม่รู้นะมีแต่ความพูด้ายตรงนั้นเนี่ยการประพฤติปฏิบัตินี่มันถึงน้อยน้อยลงน้อยลงทุกวันทุกวัมันจะไม่มีแล้วฉะนั้นเหลือวัดต้องปู่คงเรในภาคนี้สายนี้กับพระกันตั้งอกวตั้งใจทำกับครูบาอาจารย์คิดถิมานะนี่เป็นของที่สําคัญมาก ทิฏฐิคือความเห็นน่ะความเห็นทุกสิ่งสารคดมันเป็นทิฏฐิทางนั้นเนี่ยความเห็นแล้วแต่มันจะเห็นเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วสารคดอย่างแล้วแต่มันเห็นอันนั้นมันก็ไม่เป็นประมาณมันเป็นประมาณอยู่ที่ความยึดมัน่นถือมั่นเรื่องมานะมานะความกข้าไปยึดมั่นถือมันในความเห็นอันนั้นอย่างจริงจังเนี่ยอืม ถ้าให้เราเวียนวายตายเกิดไม่มีทางจบเพราะการยึดมั่นถือมั่นนี่นังนนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สอนว่าทิฏฐิระทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นนะ่ะมันเห็นทุกสิ่งสารพัดแต่ว่ามันเห็นไม่ค่อยจะถูกทางเห็นไม่อยจะตรงกันอย่างคนกลุ่มชนมาอยู่โดยกันมากๆอย่างเนี้ยบางแห่งก็ปฏิบัติง่ายๆ มันมากวันปฏิบัติง่ายๆ น, นี่ถ้ามีความเห็นที่มันถูกต้องกันอยู่สององศาโมงก็ปฏิบัติยากอยู่องค์เดียวก็ลาบากเหมือนกันถ้าความคิดไม่ถูกความเห็นไม่ดีถ้าหลายๆองค์ก็ตามเถอะที่มาลงน้อมเพื่อระทิฏฐิมานะเดียวกันมันก็ลงสู่พระพุะทธธรรมประสงค์เหมือนกันจะว่ามันมากจะว่ามันเกกะมันก็ไม่ได้คล้ายๆกับไอตัวจริงคือ อนตัวจริงคือเน่ยมันมีขาหลายขาแม่นั่นเรานับมันใมโทนแต่เรามองดูมันกาเป็นหน้าลำคาญเหมือนกันว่ามันจะยุ่งกับขากระแขนมันนั่นอันเดินไปเดินมาไอความเปจริงตัวจริงคือมันไม่ยุ่งมันมีจังหวะมันมีระเบียบถึงแม้มันมากมันก็ไม่ยุ่งในทางพุทธศาสนานี่เหมือนกัน ถ้าปฏิบัติแบบยุคสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ง่ายเรียกว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีนี่ผู้ชูปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงย g ายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพุ่นอยากทุกสามีกีปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้อง คุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้แต่ตั้งอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายแล้วคือคุณสมบัติของพระสงฆ์นี่ถ้าเราทำกันจะนี้มันจะมีต่างร้อยมันจะมีต่างพันมันจะมีเทไนก็ช่างมันเถอะมันลงอันเดียวกันสายเดียวกันถึงแม้ว่าพวกเราทั้งหลายจะมาจากคิดต่างๆมันก็เหมือนกันอันเองไอ้ใจอื่นใครไอ้ความเห็นมันจะเป็นคนที่ละทางก็ตามมันเถอะมันยังเห็นผิดอยู่ ถ้ามันมีความถูกต้องแหละมันก็เหมือนกันแต่ค่าก็ได้ไหวห้อ ย, ยน้องกองเบงต่างๆนี่เป็นต้นที่มันไหลลงสู่ทะเลเมื่อไปตกถึงทะเแลแรกมันก็เป็นสีแดงกะดดเข้มไปรวมกันที่ตรงนั้นม น, นุษย์เราทั้งหลายก็ตามเมื่อสู่กระแสของธรรมะแล้วมันก็ไปดงสู่ธรรมะเดียวกัน จะอยู่คนอาทิตย์จะทางก็ตามจะอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะมันลงมารวมาเดียวกันอย่างนั้นหรือผลที่สุดของมนมุษย์มันมีความเกิดแต่ผลที่สุดมันก็ไหลไปสู่ความตายเหมือนกันทุกคนเป็นอย่างนี้อืมแต่ละความคิดที่มันแกลงแย่งซึ่งกันในการนั้นเป็นทิฐิดังนั้นพระพุทธเจ้า่ะไว้เรื่องความเห็นนั่นก็ปล่อยไว้เรื่องมานะอย่าขับยึดมัน่นถือมัน่นมันจนเกินความเป็นจริง เราทั้งหลายอยู่ด้วยกันในหลายคนในหลายองค์เป็นต้นเราพ็กันมาฝ<ม>ึกการที่ฝึกผู้เก่าก็มีครูบาอาจารย์ก็มีดูเราเป็นผู้มีปัญญาผมพบหลายองค์ที่มาอยู่ในวัดนี้มไม่ต้องสอนอะไรมากมายปล่อยไว้เท่านั้นเนี่ยพาทำมัดสวดมนต์ปเทศในฟังทุกระยะไปพอสมควรไม่ต้องจำกี้จำชัยมากผู้มีปัญญาทำเอาอ ทำไปถูกต้องไปมีความฉลาดไปเองดีเองเป็นเองง่ายมันง่ายนี่คือที่ผู้มีปัญญามันง่ายนี่มันไม่ค่อยลาบากอ่ะนี่ที่นี่การพวกท่านทางไหนจะได้ฟังธรรมนั้นอย่าหนึ่งว่าจะอบรมกันทุกวันทุกคืนไว้ใจอย่างนั้นะไอ้ความเป็นจริงนั่นเพื่อให้ข้อคิดในความเห็นหนึ่งหูเราฟัง ท่านพูดกับใครกับพระหรือเนนกับญาติโยมอันนี้เราก็ได้ฟังทำเลยโหเราได้ฟังตาเราเห็นท่านทํำยังไงเดินไปเดินมาอะไรต่างๆดั ง, ๆงนี้ตาเราก็เห็นแล้วก็รู้เรารู้เอาเห็นนอาอันนี้เป็นธรรมะการเทศของพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ใช่ประเทศมีเสียงอย่างเดียวนะอืไม่ใช่ประเทศมีเสียงอย่างเดียว เทศไม่มีเสียงนั่นคือแสดงอากาศเจิจยทุกระการ น, นั่นเนี่ยให้ความเข้าใจกันทุกคนอย่างเราจะให้ทำความเข้าใจกันนั้นไม่ต้องพูดก็ได้จะจะกวอกมือก็ได้พยักหน้าก็ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเทศเท่านั้นขอแต่ว่าคนคนนั่นเหล่าเข้าใจกันจะทำกันอย่างไรให้เข้าใจอย่างนี้อยู่ที่วัดประโคนั้น การสังเทศ น, นคืออะไรอะไรก็ช่างมันเถอะให้เราเข้าใจในธรรมะท่านจะพูดก็ตามท่านจะทําอาตับจิญยาอะไรก็ตามท่านเจะดูเอาเถะนี่คนที่มีปัญญานีนจึงเข้าใจสอนง่ายฟังง่ายอถึงแม้จะเทศอบรมญาติโยมคนอื่นอยู่เป็นต้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นั่งฟังนั่นแหละคือเราได้ฟังธรรมะอย่างองค์ภาษาลิบุตรนะ พระสารีบุตรนั่นท่านอเดินลงมาจากภูเขาโดยคิตสกูลกับพระพุทธเจ้าอืมลงมาแล้วมาพบพรามที่คณะคพรามเรียกว่าพรามเล็บ ย, ยาวไอ้พรามคนนั้นคงจะอยู่ในป่าในดงคงจะมีทิฏฐิมานะมากก็ดีมาพบกับพระพุทธเจ้าพรามคนนั้นไม่เชื่อใครแต่นั้น เชื่อใจของเจ้าของเชื่อความเห็นเจ้าของว่ามันถูกแล้วเลยเป็นเหตุหปไปสนใจฟังธรรมต่อใครไปขอความเห็นกับใครถึงนั้นชอบความเห็นของเขาก็าเห็นว่าอ่าอันใดอืมที่เขาชอบใจเขาจึงเอาออ น, นั้นอันใดที่เขาไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอาอันใดควรแก่เขาเขาจึงจะเอา อันใดไม่ควรแก่เขาเขาก็ไม่เอาอันใดไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอาอันใดชอบใจเขาจะเอาอันนั้นในความเห็นก็เป็นอย่างนี้ยไม่มีใครมาโถกเถียงเนี่ยพอดีพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าเราตัดพระสารีบุตรตรงมาจากรอยกิสตกูแต่ก็มานั่งอยู่ท้ามเนี่ยอืท้ามที่นี่ไหวตาลิบยาวเนี่ยมีทิติมากไปทถามทิติตั้งสามนี่ อย่างที่เล่ามานั้นเนี่ยอันไหนควรแก่ค่าพระองค์ค่าพระองค์ถึงจะเอาอันไหนไม่ควรแก่ข่าพระองค์พระองค์ก็ไม่เอาอือันไหนเขาชอบเขาก็เอาอะไรไม่ชอบเขาก็ไม่เอาอย่างนี้ไอความเห็นอย่างนี้แต่เนี่ยมันถูกต้องดีแล้วก็ไปเรียนถามพระโพธิเจ้าว่าถูกไหมพระโพธิเจ้าไอความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันไอพรามเห็นว่าอันไหนพรามชอบพรามก็เอาอันนั้น อันไหนไม่ชอบาพามก็ไม่เอาอันไหนควรแกร่พรามพามก็เอาอันไหนไม่ควรแกร่พรามพรามไม่เอาอย่างนี้นี่คือความเห็นของพรามนั้นอืมมันเป็นอย่างนี้อืหลงไปหลงคิดไปอืาพระพุทธเจ้าถามา ง, าง่ายๆเลยเรียกว่าง่ายว่าไอ้ความแก่นะใไอ้ความแก่แต่พรามชอบไหมไม่ชอบ ไม่ชอบความจะได้ไห ม, มหยุดพูดตอบไม่ได้เลยไอ้ความตายนะความชอบไหมไม่ชอบความจะตายไหมลนะ่ะไม่มีสิผู้ตายพยาการถ้าความได้สิ่งที่ไม่ชอบใจความนะความจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พยาการมันไล่กันลอกเข้าในโกนเลยถึงนั้นเลยทิฏิของความนั้น หายไปเคยไม่เคยยินสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นก็คิดว่าความเห็นเราถูกแล้วความเห็นเราถูกทุกอย่างเพราะว่าอันในควรแกเราเราก็เอาอะไรไม่ควรเราก็ไม่เอาอะไรเราชอบเราก็เอาอะไรไม่ชอบเราก็ไม่เอาอันนี้ไม่มีทางแก้ไขเ น, น่นึงว่ามันมถูกต้องนียเนี่ยนี่เมื่อปเปรียนพระพุทญาติในหลายความเห็นอย่างนั้นก็ยังไม่ถูกเห ม, มือนกันกึงยไล่ไป ไอ้ความเป็นจริงไงที่เรามองมาเห็นนั่นตัว น, นึงว่าเรารู้ไอ้ความเป็นจริงมันเห็นแต่สิ่งที่เรามองเห็นไอ้สิ่งที่เรามองมาเห็นนั่นมันมีอยู่เราก็ไม่รู้ไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นนี่พระสารีบุตรนั่งนั่งนั่งถวายงานพัดอยู่ข้างพุทธสาฟังฟังพีคะนากรามเนยกับพระพุทธเจ้าตอบโต้ปัญหากันแต่งกฟังอยู่างนี้เนี่ย อืท่านในกัตตรู้ธรรมะเป็นพระอริยะบุคคลในที่นั่นเลยนี่เป็นต้นเราว่าท่านในเข้าใจในธรรมะในหลักธรรมะที่ภาษาอริบุตตที่พระพุทธเจ้าสัตามเนี่ยตอบโต้ปัญหากันท่านนั่นเนอื ม, อ ม, อมเป็นเหตุให้ท่านละจิติละมานะไอะขี้กายออกจนสํมบิตปาราหันในที่นั่นเลย อ, อย่างนี้เป็นต้น นี่ท่านเนี่ยมันมีสติอยู่ทุกเวลานักประพฤตินักปฏิบัติของเรานี่เหมือนกันพระพุทธองค์ท่านสอนเราให้มีสติอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะอยู่ที่ไหนก็จังเจะให้มีสติตประทับประคองคอยู่เสมอเมื่อเรามีสติเราก็เห็นตัวของเราเห็นตัวของเราเห็นใจของเราแต่ก็เห็นกายในกายของเราเห็นใจในใจของเราทุกอย่าง ถ้าเราม่มีสติอยู่เป็นต้นเราก็ไม่ดูเรื่องอืมอะไรจะมาตกเป็นหน้าบ้านตกจในกติแล้วก็ไม่เห็นเพราะเราไม่มีสตินี่การมีสตินี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญผู้ใดมีสติยุทุกเวลาคนคนนั้นจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ายุทุกเวลายุทุกเวลาเพราะว่าตาไปมองมองเปเห็นรูปมันก็เป็นธรรมะ หูฟังเสียงมันก็เป็นธรรมะจมูกได้กลิ่นมันก็เป็นธรรมะริ่น ม, มันริ่มรสมันก็เป็นธรรมะตายไปถูกก็ปัจะัปะกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นธรรมะธรรมารม์ที่มันเกิดขึ้นกับใจนึกขึ้นได้เมื่อไรเป็นธรรมะเมื่อนั้นเฉะนั้นผู้ที่มีปัญญานั้นได้ฟังธรรมประพฤติเจ้าอยู่ทุกเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีอยู่เพราะอะไรเพราะเรามีสติมีความรู้ แในสติคือความในรุดได้เนะี่ฉันปัจัญญาความรู้อยู่ตัวรู้น่ยก็คือตัวพุตโธเนี่ยนะตัวฟูตเจ้าเนะี่ยเป็นต้นเมื่อมีสติมีสัจปัญญารู้อยู่ปัญญาก็วิ่งมาเท่านั้นเนะี่ยรู้เรื่องต่างๆ ต, ตาเห็นรูปสิ่งนี้ควรไหมไม่ควรไหมหูฟังเสียงสิ่นี้ควรไหมไม่ควรไหมมันเป็นโทษไหมมันผิดไหมมันถูกต้องสารพัดอย่าง ดังนั้นผู้มีปัญญาแล้วจึงไ ด, ได้ฟังธรรมแม่มองเห็นต้นไม้ก็เป็นธรรมะมองเห็นสัตว์มันก็เป็นธรรมะมองเห็นสิ่งต่างๆมันเป็นธรรมะหมดทั้งนั้นถ้าเรารู้จักธรรมะอันนี้เพราะกันทางหลายเข้าใจว่าในเวลานี้เราอยู่กลางธรรมะจะเดินไปข้างหน้าก็ถูกธรรมะจะถอยไปข้างหลังก็ถูกธรรมะมันธรรมะถึงนั้นแหละรามสติอยู่นะธรรมสติอยู่ เมื่อไปเห็นสัตว์ต่างๆที่มันวิ่งไปนี่มันก็มีปัญญามันก็เหมือนกันกับเราและสัตว์นั้นน่ะไม่เหมือนมันไม่แปลกกับเราครับมันนี้จากความทุกข์ไปสู่สุขเหมือนกันอะไรที่ไม่ชอบมันก็ไม่ไม่ไม่เอากันเนี่ยมันกลัวเหมือนกันนี่มันกลัวชีวิตของมันเหมือนการทุกอย่างถ้าเราคิดคิดไปเช่นนี้นะปริวชัต์ทั้งหลายในโลกนี่กับมนุษย์ไม่แปลกกันตามเชื้อชาติต่างๆ มันก็เหมือนกันเมื่อเราคิดเป็นชนนี้ก็เนี่ยเป็นการภาวนารู้เห็นตามเป็นจริงว่าสัตว์ทางหลายก็ดีมนุษย์ทางหลายก็ดีสาระัตอย่างเป็นต้นมันก็เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเก็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่อื่นใดทั้งนั้นน่ะเสมือนเราการทุกประเภทมันเสมือนมนุษย์มนุษย์ทุกประเภทมันเสมือนดัตความเป็นอยู่มันประการกันอย่างนั้น อที่นี่เมื่อเรารู้ไปเมื่อเราเห็นไปเป็นไปเรื่อยไปเห็นสภาวะตามเป็นจริงอย่างนั้นจิตก็มันถอนจากสิ่งทั้งหลายเรานั่นออกมาดูแล้วก็พิจารณาที่นี่ที่เรามาบวชทํารรมฐานเนี่ยให้เราพิจารณาสังอนทั้งรวมอืมไอ้เรื่องง่ายๆพูดง่ายๆทำเดาไรเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข ทำเดาไราเป็นเป็ดตัวควงทุกขีหมู่คณะเป็นคนเลี่ยงยากอืสารพัดอย่างทั้งหลายแล้วเนี่ยจิตของเรามันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าของเราอืมทุกขีหมู่คณะอย่างนี้เป็นต้นคือใจของเราเป็นธรรมะทำทั้งหลายใจของเราทั้งหลายมันคิดไปอย่างนั้นมันทําไปอย่างนั้นมันคิดไปเพื่อนอกจากความจริง นอกจากธรรมะไม่เกิดประโยชน์มันเป็นเรื่องที่วุ่นวายนํามาสู่ตัวของเราสู่หู่คณะทั้งนั้นท่านจริงบอกว่าสิ่งทั้งหลายแล้วนี้ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทําอะไรเป็นไปเพื่อความไม่ประกอบทุกข์เป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นดีในของที่มีอยู่เป็นไปเพื่อความไม่อยากใหญ่ไปสูงเป็นไปเพื่อความเบียงง่าย เป็นไปเพื่อความในรุกงีหมู่นนะเป็นไปเพื่อความมัขยันมั่นเพียรจิตใจของเราจะมันเป็นไปอย่างนั้นอันนั้นแหลถูกแล้วอันนี้เป็นพระธรรมอันนี้เป็นวินยัยเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะทั้งหลายเหล่าเนี้ยก็ไม่ต้องไปเรียนมันอะไรมันมากมันเกิดขึ้นในใจคนเรารู้จกักมันเป็นอยากใหญ่ไปสูงก็รู้จกักนักน้อยสันโดษก็รู้จกัก ทุกขีโมฆะคา ร, รุจักเรนเป็นคนเลี่ยงญาติกครูุ้จักสารพัดอย่างก็เกิดขึ้นกักบจิตใจของเราท่านนี้เนี่ยท่านจึงพูดง่ายง่าทำอะไรเป็นไปเพื่อความประกอบทุกคือใจเราเอยมันจะประกอบทุกไว้อือันนั้นไม่ใช่ทำไม่ใช่วินยัยเราไม่ต้องไปพุทธไปตามปฏิบัติไปตามจิตเช่นนั้ น, นเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไฟสูงเนี่ยมันเป็นกิเลสทั้งหลายนี่ อันนี้ก็ไม่ใช่คําสั่งสอนของพระศาสดาไม่ใช่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอทำเดาไรเป็นไปเพื่อความขี้เกียจเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะคำสั่งสอนของพระศาสดาแล้วมันดูในจิตของเราทำเดาไรเป็นไปเพื่อความเลี่ยงอัญญจาอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำเดาไรเป็นไปเพื่อความคู่ขี่หมู่กันนะอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แล้ว อันนี้มันเกิดขึ้นจากจิตใจเราเช่นนั้นน่ะนี่เช่นั้นสั่นจึงให้มีสติถ้ามีสติแล้วมันจะเห็นกำลังใจของเจ้าของจิตเจ้าของไอ้ความรู้สึกนึกคิดเจ้าของเป็นอย่างไงมันก็ต้องรู้ไอ้ตัวรู้นั่นแหละเรียกว่าพุทโธหรือพระพุทธเจ้ามันรู้รู้มันถึงที่มันแล้วเป็นต้นมันก็รู้แจ้งแจงตลอดมันรู้เมื่อมันรอบรู้อยู่อย่างนี้แล้วเป็นต้นมันก็ได้ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีแถวนั้นะ ในใจอื่นไกลเนี่ยอันฉะนั้นปฏิบัติง่ายๆแล้วพิจารณาง่ายๆเราจึงมีสติอยู่ผู้ไม่มีสติก็เหมือนคนเป็นว่าไม่มีสติห้านาทีก็เป็นว่าห้านาทีไม่มีสติห้านาทีก็ประมาทเียวห้านาทีแล้วถ้าขาดจากสติอะไรเป็นว่าเหมือนนั้นนี่ให้เข้าใจอย่างนั้น สตินี่จึงมีคุณค่ามากมายสำหรับให้คนมีสติแล้วก็รู้จักว่าตัวเรามันอยู่ในลักษณะอันไรจิตใจเราอยู่ลนนักษณะอันไดความเป็นอยู่ของเราอยู่ในลักษณะอันไรเป็นต้นนี่ผู้มีปัญญามีความเฉียดเาดแล้วนะจะได้ฟังธรรมอยู่ทุกเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไว้ไปฟังธรรมอยู่รู้สึกอยู่เสมอ เราว่าทำมันอยู่ทั่วๆั่วไปฉะนั้นพวกเราเนี่นน ะ, ะให้เวลาพอสมควรเมื่อเราบินทบาตมาฉันจังหันแล้วนี่นก็ปล่อยให้ไปเยู่ในกติของเราพักผ่อนพอสมควรล้วก็เดินจงครมพยายามเดินนะเดินจงกวมนี่พยายามเดินในในทุกวันขินใจมาดจะบวชใหมนะ่นั่งก็ให้ได้ทุกวัน ไม่มากก็ต้องน้อยแต่ต้องนั่งแต่ต้องเดินจงกรมเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้ปฏิบัติเอะเดินไปจะก้าวกลบศีบหลบฟ้าเดินในปรติของเรากระไดเดินในลานวดันดเรานี่กระไดกําหนดดีๆแล้วก็เดินยกขาขวานึกบอกคุธโธ่ตัวให้มิตรีเทนะ่านั้นไปถึงโน่นกกลับมาหยุดแล้วก็กลับมานึกคุธโธ่ถ้าไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเท่านั้นะ อันนี้เอขี้เกียจก็ทําขยันก็ทําเราปฏิบัติธรรมะเราไมปฏิบัติตามตัวเรานอกจากทำอย่างนั้นอืีนั่งในกลางวันเวลาก็ก่อนพอสมควรวมีเวลาแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยห้านาทีก็เอามันสิบนาทีก็เอามันสามสิบนาทีก็เอามันให้ได้ทํำสงบก็ทํามันไม่สงบเราก็ต้องทํามันเหมือนกันเราเป็นเด็กเราไปรเรียนหนังสือเห็นไหม คือว่าเขียนหนังสือเนี่ยเขียนม่าสวยไหมครั้งแรกไหมมันหัวยาวๆขายาวๆก็เขียนไปตามเรื่องเด็กๆแค่นั้นแหะนานๆไปมันก็สวยขึ้นงามขึ้นนี่เพราะเราฝึกมาเนี่มันก็ขัดใจอย่างนั้นการประพูด ธ, ธรรมะก็เหมือนกันอย่างนั้นที่แรกนี่คือเกะกะไปสงบบ้างไม่สงบบั่งไม่รู้เรื่องบ้างมันเปลี่ยนไปบางคนก็ขี้เกียจทําทยาที่ต้องพยายามทำมีความประโฉงอย่างไรต้อ ง, องทําอย่างนั้น อย่ในความพยายามเหมือนกับเราเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยโตมาเราเขียนหนังสือได้ดีไหมเนี่ยสวยไหมทําไงก็ได้ไหมเพราะการฝึกเตยเป็นเด็กกันี่ยเป็นต้นต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเราเราทุกๆุกคนเป็นต้นก็พยายามประมาณสามเดือนนี่ให้ได้นั่งทุกวันให้ได้เดินทุกวันพยายามให้มนมีสติอยู่ทุกเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถึงแม้จะโคบจะฉันอยนี้ก็เหมือนกันเมื่อจะฉานพบ เราจะมองเห็นอาหารในผ่าดไม่ไหว่างคนฉันไม่ได้นะปะปนกันไปหมดนะแล้วนึกว่าเอ อ, อเราจะไม่เอาความสุขในการฉันจังหันเราจะฉันไปเพื่อเป็นยาป a มัต a t ต่อทรงอยู่ได้พอได้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเมื่อเราจะนอนพอเรานอนครบลงไปก็เราจะนึกได้ว่า เราจะไม่เอาความสุขในการ น, นอนเื่นขึ้นเราจะประกอบความเพียรทันทีอย่างนี้เรื่อยๆไปี่ปย า, ยามเถจะคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ี่ออกจากกติมาจะต้องกราบพระเจ้ก่อนสามครั้งหยิบอะไรมาเมื่อไรก็ตามตอนเช้าก็ตามตอนสายก็ตามตอนบ่ายตอนค่ำก็ตามเถอะเราจะลงจากกติแล้วต้องกราบพระเจ้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องดีนะนี่ เนี่ยใช่เรื่องเด่นนะที่นี่เมื่อเรามาทํางานกิจการเสร็จแล้วเราจะเข้าไปกติของเรานะขึ้นบนปฏิแล้วก็กราบพระสะก่อนถึงนั่งถึงนอนไหนก็มาขึ้นไปก็ต้องกราบลงมาก็ต้องกราบให้เป็นนิสัยเลยอันนี้เพื่อเราหล่อเลี้ยงกติเราให้มันแน่นแฟ่นขึ้นมาให้มันแน่นแฟ่นขึ้นมาในสติของเราเป็นเหตุเป็นเหตุทเรามีสติมาก ขึ้นไปก็กราบลงมาก็กกราบถึงแม้อย่างย่อยไปปัสสาวะเราก็กราบไปซ่วงเราก็กกราบถึงไปมาถึงเราขึ้นไปเราก็กราบอันนี้เรียกว่าฝึกกันตรงๆเียอันนี้เป็นเรื่องดีที่สุดอืมีสติมากมีปัญญามากรู้ตัวมากง่ายอันนี้มันพร้อมไปในตัวะถ้าเราขึ้นไปก็ขึ้นไปเฉย ลงมากระรงมาเฉยเไม่มีอะไรบังคับไม่มีอะไรเป็นรากฐานไม่มีความยึดมั่นหรือถือมั่นต่ประการใด น, นี่มันก็คล้ายๆภาวาไม่มีฝั่งนั่นแหละ ไ, ไม่มีฝามีฝั่งไม่มีหลักอันนี้เฉพาะตัวของเราพิจณาอย่างนี้จิตมัดทางพวงนั้นเป็นต้นก็ไม่เป็นของยากที่ทันวางอะ้วเลยพยายามให้มันจำบำเสมอให้มันเท่าทัน ไม่ทันวันนี้พรุ่งนี้ต้องพยายามไว้ไม่ดีวันนี้พรุ่งนี้พยายามไว้ให้มันเสมอกับเพื่อนด้วยมันสูงกว่าเพื่อนนใจแล้วก็สบายเมื่อเราทําจิตวัดอะไรมันคล่องดีแล้วเป็นต้นสบายใจนั่งก็สบายนอนก็สบายเมื่อความสบายมันเกิดขึ้นจากจิตวัดการนั่งสมาธิมันก็สงบง่ายมันเป็นเครื่องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างนั้นอืมฉะนั้นจึงประกันพยายาม การพูดมากการคุยกันมากการเอาเรื่องราวอะไรต่างๆเข้มาคุยกันนี้ก็ไม่ใจของดีนะอย่าในพูดกันจะคำํำสองคํารู้เรื่องกันก็หยุดซะหาทําความเพียรของเรานั่นเพราะเวลาเรามันน้อยนี่กะประมาณอ่ะประมาณสักสามเดือนแถวนั้ น, นะเวลาเรามันน้อยแต่พยายามควบคุมใจของจึงจะมีอานิสงส์เมื่อออกพรรษาแล้วเมื่อถึงเวลาหรือสมเดือนอานิสงส์มันจะมี พวคุณทั้งหลายไม่รู้ในที่นี้คุณทั้งหลายศึกไปแล้วถึงจะรู้ก็มีถึงจะเห็นเนี่ยมันกลับกันไปกลับมาบางเที่บางคนบวชอยู่นี่ไม่รู้จักกลับแต่ว่าศึกไปแล้วมีศรัทธาเออนู่นมันไปรู้เอานู่นตอนตายเนะี่ยไอตอนนี้มันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นมันยังไม่รู้จักที่มาบวชอยู่นี่บางคนศึกกันแล้วมีศรัทธาตอนตายก็มีดังนั้นจึงประกันให้เข้าใจ ไอ้สิ่งที่ครูบาอาจารย์พาทำนี่ให้ไปายากทําตามเหอะตามความสามารถของเรา ม, มันดีนี่เรียกว่าเราโมฝึกอันนี้อบรมอย่างนี้เรื่อยๆไปปกานทําำสมาที่นี่ก็ทำโดยตนเองต่อไปเมื่อถึงขามาถึงพระนี่สงทศิลวมกันเป็นกลุ่มนั่งสมาธิเราคนนั่งนี่เราฝับไปปฏิเรามีโอฝาดเราก็ต้องนั่งต้องทําเองอันนี้ท่ารฝึกเรานี่ ไม่ใช่ฝึกเดียวทิ้งไปประสาฝึกให้เราจำให้เราจดให้เราเป็นข้อประพืชปฏิบัติหลายองค์ก็ต้องทำอยู่อย่างนี้องค์เดียวก็ต้องพยายามทําอย่างนั้นอยู่สมมุติทีเดียวเนี่ยเรียกว่าการปฏิบัตินั่นจะเห็นอะไรไม่เห็นไม ไ, ม ไ, มไม่รู้เรื่องมันจะสงบข้อธรรมไม่สงบข้อธรรมเรียกว่าเราฝึกใหม่เข้าครรษามานี้ก็เรียกว่ารประมาณในสิบห้าวันเท่านั้นไม่ก็อยจะมีอะไรฉะนั้นจงว่าการตั้งอกตั้งใจทุกๆกคน ทุกวันนี้โอ้โหนิดเดียวจตเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยนิดเดียวไปโรงพยาบาลเนี่ยนี่อันนี้ก็มีว่าแล้วที่มันสมควรที่พอไปก็ไปมันที่ไม่สมควรพอไปก็อย่าไปมันเลยมันยุ่ยงยากลำบากแง่โรคที่มันไม่ตายมีคนอดทนมวคนอดกัน้น แอ้ความอดทนเป็นแม่บทของการกระทังเทียนตั้งแต่ไหนแต่ไรามาแล้วนี่มันมีมาเงี้ยอดทนทุกอย่างพยายามแต่ว่าจิตไม่ค่อยมากอะอยู่วัดประพงเนี่ยแปลว่ามันติดต่อกันเนะ่ติดต่อกันด้วยื่อยดยไม่ค่อยขาดอย่างนี้ แต่ว่าเมื่อจิตไม่ฉลาดจะให้ใครอกรบรมท่านบอกว่าเอให้ตามรักษาจิตของตนใครตามรักษาจิตของตนคนนั้นจะพ้นจากหวงของมานนี่จะเอาใครตามรักษาจิตมันก็สุดยุทธิจิตเท่านั้นนี่อันนี้ก็ให้ท่านไปนั่งภาวนาดูเถอะเออะถ้าหากว่าจิต อาศัจิตอย่างเดียวมันตัวของมันนะมันก็ตามอารมณ์เท่านั้นแหละมันจะฉลาดในเมื่อไรมันจะรู้ในเมื่อไร่มันก็เป็นนานาจิตตังเท่านั้นแหละคิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่มีใครตามรักษามันแต่พระพุทธเจา้าตรัสว่าใครตามรักษาจิตของตนคนนั้นจัดพ้นจากว่วงของมารเราอยากจะรู้จักว่าใครตามรักษาจิตคือใครนี่อันนี้ ควรที่เราจะพิิจารณาให้มันรู้ด้วยตนเองมันจึงจะดูจากใครเป็นผู้ตามหลักฐาจริงนี่นี่มันมีข้อแม่ อ, อยู่อย่างนี้เองฉะนั้นการปฏิบัตินี้ก็ให้เดยก ว, ว่าอฟังไปครับฟังไปอย่าพึ่งเชื่อและอย่าพึ่งไม่เชื่อวางตัวเป็นกลา ง, ลางฟังไว้ล้วครับนั่นอะมีผลไม่เป็นภัย เชื่อมากกว่าประเทศไทยไม่เชื่อมันกว่าประเทไทยฟังไปเถิดดูเราเป็นคนฟังเราเป็นคนฟังและก็คนปิจารณานี่เรียกว่าการปฏิบัติถ้าเราไปถ้าเราไปชมแล้วไปชมโดยความคิดของเราว่าอนั้นมันดีถ้าเราไปติแล้วไติโดยความรู้สึกของเราว่าอันนั้นไม่ไม่ชอบอย่างนี้เป็ น, นต้นไอ้สิ่งที่มันชอบหรือไม่ชอบนั้นมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ยังไม่รู้จัก มิฉนั้นพระพุทธเจ้าจงหัย่องยืนดูเสก่อนดูเสก่อนถ้าไม่ดูมันจะเข้าข้างตัวถึงนั้นเนี่ยถ้าเข้าข้างตัวเราไปต้นปฏิบัติมันก็ไม่ไปมันเป็นวิชาสติไปแล้วนะะอืนนี่เดียว่าที่คนที่มีปัญญาก็ต้องทําอย่างนี้ดูไปเะดูไปดูไปเรื่อยไปดูไปเรื่อยไปการดูไปอย่างนี้ทนดูไปอย่างนี้่ะออะไรที่ควรชงก็ดูไป อะไรที่ควรติได้ก็ดูของเราไปพิจารณาไปเรื่อยๆไปวางอเราเราไม่ต้องปฏิบัติหาสิ่งที่ว่าออ่าที่เราติหรือเราชมอันนั้นเ ร, เราเราไม่ต้องปฏิบัติอันนั้นไม่ปฏิบัติเอาอย่าง น, น, นะนะอเราจะทิ้งสิ่งทั้งสองอย่างนั้นเดียวมาปฏิบัตินี่นทิ้งสิ่งทั้งสองอย่างนั้น แต่เราให้รู้ว่าสิ่งทั้งสองอย่างนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนใครนี่เป็นตน้นให้ได้ทิ้งสิ่งทั้งสองนั้นทิ้งเพราะความรู้ของเราทิ้งด้วยปัญญาไม่ได้ทิ้งด้วยความโง่ของเรานี่เราจึงจะมีความฉล า, าดเกิดขึ้นมา น, นี่ที่ไหนก็ตามทีเถอะผมก็พยายามเที่ยวไปหลายแห่งเท่าที่ผมได้ไปมาแล้วการประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ก็นึกว่ามันมันลาบากครับ ลอยมากนักปฏิบัตินั่นจะไปอยู่สักสิาวันหรือสักเดือนหนึ่งเท่านั้นไปรู้วิธีดีตองแล้วก็ออกไปเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเท่านั้นอันนี้มันไม่ได้ซีกเดียวเลยครับไม่ไม่มันจะขาดจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรชับตพวกว่าเป็นต้ น, นเรารู้ก่อนเราจึงสอนคนอื่ น, น รู้แล้วเป็นประโยชน์ของเราแล้วก่อสร้างประโยชน์คนอื่นนี่นยมากพวกเราทั้งหลายโดยมากมุ่งประโยชน์คนอื่นมากมุ่งประโยชน์คนอื่นมากก็คือมุ่งอิกราบมากมุ่งชื่อเสียงมากมุ่งอะไรอรหลายอย่างครับมันเป็นโลกาติปไตยไปเที่ยคือทำมันเป็นส่วนโลกหรือเป็นอตาติปไต่ไปเที่ยมันเป็นส่วนตนมันไม่เป็นธรรมาทิปไตย เนี่ยเอมันถึงไม่หนักแน่นดังนั้นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติมานะั้นเนี่ยสังเกตดูดีกันตั้งแต่ต้นมาจนปลายเห็นใครม้างว่าสม่ำเสมอมีไหมผมบอกมันน้อยเต็มทีนะครับมันน้อยเต็มทีมันน้อยในยุคนี้ผมเรียนธนาจารย์มัน่นนี่ครับพอจะมองว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นตัวอย่างตั้งแต่เบื้องต้นมาจนปลาย ท่านสม่ำเสมอเรื่อยหนักแน่นไปเรื่อยไปเป็นต้นนอกกันมาแล้วก็หายากเหมือนกันครับมันมุ่งโลกาจิปตยัย์นะมุ่งอัตราจิปะตะย์เชียเป็นต้นมันไม่เป็นไปเรื่องต้นดีปลายพังเลยครับเสียประโยชน์อันนี้จะรู้ที่ไหนมันรู้ในใจของเราทีครับไม่ต้องไปถามใครคนอื่นเพราะว่าเราปฏิบัติถึงแค่นี้มันเป็นอย่างไร มันหมดสงสัยเดี๋ยวดูอย่างมีอะไรเหลืออยู่ไหมเนี่ยเราจะอาศัยตัวอะไรไหมเป็นสีขีพูโตไหมเราจะเอาตัวของเราเป็นพยานของเราได้ไหมอย่างนี้ถ้าผู้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติแล้วตรงไปแล้วนะ่ะท่านไม่กล้าหรอกท่านไม่กล้าไม่กล้าจะเทศใ้คนอื่นฟังมากครับอาจารย์เสาอาจารย์มั่นในสมัยก่อนนั้นลูกศิษย์ตุคามาปฏิบัติ นานๆบางทีท่านก็ให้เทศให้ฟังท่านก็นั่งฟังเท่านะั้นจยกเลิกไม่ให้เทศมากไม่ทําอะไรให้มันมากครับนี่ทำอะไรมากเพราะอะไรเนี่ยรู้จักว่ามันไปอยู่อย่างไรมันเสียไหมอะไรไหมมันเสื่อมไหมอย่างนี้เป็นต้นระวังระวังทุกวันนี้มันอาศัยการโฆษณาการอาศัยชื่อเสียงกันครับ ไปตั้งศูนย์นั่นก็ไปตั้งศูนย์นี่ไป เ, เรื่อยๆไปนะทิ้งไป เ, เรื่อยๆไว้ไอความป็นจริงผลที่สุดแล้วก็ไ ม, ม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเสียหายเพราะอะไรเพราะตัวเรายังไม่เป็นเรายังไม่เป็นศีลก็ไปสอนศีลให้คนครับมันก็ผิดๆถูกๆนั่นแหละก็สอนตามตำราเราไม่เป็นสมาธิเราจะสอนสมาธิให้คนแต่สมาธิตามตำรานั่นเอง เราจะไม่มีปัญญาเอาตัวยังไม่รอดเราจะสอนคนอื่น ก, ก็เป็นปัญญาตำราเองครับนี่ไม่ใช่ปัญป ญ, ญาตาความจริงไม่เกิดขึ้นเท่านี้ดังนั้นการวิชาศาสตรภาาศาสนาของเรานี้มันมีมากตัววันมันมีมากบางคนก็เอาไปอย่างหนึ่งบางสำนักก็ไปอย่างพวกเราจะปฏิบัติไม่รู้ว่าจะเอาย่งไกันครับเรเดงมรู้จักนะ ไอ้ความเป็นจริงนั้นเราทิ้งพระพุทธเจ้าของเราสช่ครับรากฐานที่จะต้องปฏิบัตินั้นคือเดินทางคือมรรคมรรคนั่นคืออะไรครับคือศีลนี่คือสมาธิคือปัญญานี่ครับเราจะมีอบายอย่างไรนอกเหนือนี่ไปก็ช่งางก็อันนี้มันเป็นรากฐานทิ้งไม่ได้ครับอันนี้มันทางตรงแล้ว บางทีก็เป็นครูบาอาจารย์เขามีคู่คนประชาชนคารวกราบไหว้อีกราบเพื่อเกิดขึ้นมาหลงจะของลืมจ้ะลืมครับมันหลงมันลืมไปเนี่ยลืมคนจ้ะลืมตนจ้ะอยากจะพูดยังไงก็พูดอยากจะทำยังไงก็ทำสารภาพยอย่างมันมึงเกิดพิธีมานะขึ้น เลยเป็นพระอาจารย์ที่ยกหชูหางขึ้นสารพัสยานนะก็เรามีวิธีคูณกรับวิธีลบทิ้งเลยวิธีหารก็ทิ้งครับเอาวิธีคูณกับวิธีบวกเมื่อวิธีใส่ันนะ่ะผลในสุดก็จมเลยครับมันจมนี่มันเพราะอะไรมันเดินไม่ถูกทางเดินไม่ถูกทางเช่นบาสินเนี่ยดูสิครับที่เราทํากันเราเรียนกันเป็นครูเป็นอาจารย์คนทั้งนั้นเนี่ยสินนี่คืออะไรครับ เราจะทํำยังไงนี่ดูดีครับที่นี่เรามาดูปัจจุบันนี่ดิครับเรื่องพระรินยัยอ่ะพระวินยัยเรื่องศีลนี่ครับมันมีที่ไหนครับผมว่ามีแต่พารีนยัยมีคำพูดมีศีลแต่พูดเฉยเฉยคนจะมีศีลจริงๆมีพารีนัยรู้พาวินายจริงๆร่ะแต่ผมว่ามันจะ ม, ม, ม, มันไม่ค่อยมีมากในในลานี้ก็พูดไปอย่างหนึ่งทําไปอย่างหนึ่งเนี่ยเออย่างไง ทางไปวันขอไปโน้นเชือกไปทั้งตะวันตกไปวันกลางอยากให้มันถูกวันก่อมันก็ไม่ถูกเลยไม่ถูกมันไปไม่ถูกทางานี่เพราะอะไรครับเพราะเราทิ้งดักเดิมมันเชียหลักของพระพุทธเจ้าของเรานั้นนะ่ะพระวินายทุกแง่มาอยู่กับผมนี่ก็ไม่รู้มากเราพระบินัยครับจะให้ศึกษาเท่าที่ควรจะรู้เอามาปฏิบัติกันครับ ตลอดพระตลอดเน้นแล้วนะะั่นแหะเรื่องพระวินยัยเรื่องศีลเนี่ยเพราะมามันหายไป น, นั้นนี่ยนะนะมันหายกันไปหมดแล้วครับไม่มีคไม่มีอืย่างนั้นบุญก็มีแต่ชื่อมันใช่ไหมทวนั ย, นยก็มีแต่ชื่อมันครับศีลก็มีแต่ชื่อมันกต่ตัวศีลจริงๆมันไม่มีครับเออดังนั้นมันจึงความสมัธคีกันไม่ตกหลง ตรงกกันไม่ได้กนะลุม่มศาสนาแล้วเนี่ไอ้คนนั้นทําผิดไม่กล้าตัดสินนี่ครับไม่กล้าทํานี่ก็รานกลัวถ้าเรา <ละ S 1> พูงมาฮะเราจะเป็นไงแต่เพราะเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่ก็เลยไม่กล้าเลยครับก็เลยทิ้งนั้นไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าตัดสินไม่มีใครกลว่าอะไรครับคนอื่นวออ่ายังนั้นตัวเราก็เป็นอย่างนั้นน่ถ้าไปพูดคนอื่นมันก็จะแดงเป็นดีครับ ตัวเราก็เพราะไปด้วยอย่างนี้มันเป็นในทํานองนี้เดี๋ยวนี้นี่นมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทาั้งหลายนั้นจึงไม่ค่อยจะบรรลุธรรมกันไม่ค่อยมองเห็นธรรมกันเป็นต้นมีแต่เรื่องเรียนธรรมกันรู้ธรรมกันโดยผิวเผินอธิบายเป็นต้นคำพูดแยกแยะออกละเอียดมากซิกแซกเหมือนบ้านคนทนั่วไปเลยมันมีมีช่างมันหลายเลย สางบ้านตกวันมันทําห้องไม่รู้ว่ากี่ห้องเขาเรียกว่าซิกแซกจะหาที่นั่งก็ไม่เคได้หาที่นอนมีแต่ห้องถึงนั้นนีมอันนี้คือมันกันครับคาพูดกับยิ่งดีขึ้นโดยความมีอยูของคนเป็นต้นแต่ความจริงนั้นไม่ค่อยจะมีครับที่ผมตามดูไปแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นผมจึงได้ปลีกตัวออกมาอย่างนี้เนี่ยออกจากเพื่อนฝูงมาแล้วปลีกออกอย่างนี้เพราะมันเห็นแยกเขาอย่างนี้ ผมกีประีกออกมาอาศัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยครับอาศัยข้อปฏิบัตินะ่ะตายพอมันตายก็ข้อปฏิบัติที่เราเรียนมาไอ้ที่เราว่าหลงหลงเราไม่หลงหรอกครับเราเรียนมาทั้งนั้นเลยเรื่องพระวินัยเนี่ยทุกๆคนเปยนครูเป็นเรียนมาทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ใช่ว่าไม่รู้นะอืมอีที่คนไม่รู้นั่นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าไม่ครัวหรอกครับไม่รู้ท่านบอกให้รู้ก็ได้ท่านกลัวแต่คนรู้แล้วไม่ทํา คือเป็นคนประมาทนี่ไอ้พวกเรามันเป็นการเตัอนอย่างนี้มากฉะนั้นพะระจึงตีตัวออกจากพวกทั้งหลายตีตัวไปเพื่อมุ่งทรมุ่งมีนัยมุ่งหาคำสอนพระพุทธเจ้ามุ่งหาโมกขธรรมต่างๆตามรอยพระพุทธเจ้าที่ท่านทำมาอย่างไรผมพยายามทำอย่างนั้นมาเออนะเป็นอย่างนี้ วันนี้ผมจะเล่าอะไรต่างๆให้ฟังสมัยก่อนผมอยู่บาัานบ้านเป็นครูโรงเรียนก็เหมือนกันครับนะเป็นครูโรงเรียนสอนโรงเรียนทุกอย่างสอนครบับวีนัยก็สอนไปกันแต่ว่าอย่าไปตัดอย่าไปทําลายของเขียวอย่าไปทําลายพืชผมจะต้องปลูกผักกินเองครับอืปลูกผักกินเองครับรู้ออกภรษามาก็ทํา แปลงผักและกบพระพระเนรปลูกกินเองที่ว่าของเขียวนเนี่ยผมไม่รู้เรื่องครับนะเอมันก็ฉั้นส้มประกาศกันสบายไม่รู้มาจากไหนเนี่ยตอนเย็นๆมาก็ไปหาผักขี้เหล็ก ม, มาฮะของเขียวนี่ไม่เห็นเนี่ยแดดตอนตลางวันมาสอนพระเนรคือจะคามพืชจะคามเป็นอาบัาตินี่ยไปตักต้นไม้เนี่ยตอนนั้นเราก็ไปไล่หญ้ากันเต็มวัด นี่ยเมื่อวันอุโบสถมาก็มาล ง, งอุโบ ส, สถสภาคาบัดนั้นไม่รู้เรื่องที่ท่า น, นสอนว่าสภาคาบัดนั้นคือต้องอวัดเสมอกันรลายยากก็ลายยาด้วยกันหมดวัดอท่านไม่ยอมธรรมอุโบสถฉันกระกำแล้วเนี่ยนะมันเป็นสภาคาบัดนี่จะต้องแสดงคาสภาคาบัดจะต้องทรงพระกอไปน้ไปแสดงอวัดมาจากรัดอื่นที่เขาไม่เป็นสภาคาบัด เด็กก็มาแสดงต่อๆกันไปทุกเนี่ยทุกวันนี่ครับอนสภาข้าวบัตรนี่ในไม่ดูเทื่ อ, องกั น, นคนนั่นก็ไลยย่ยาคนนี่ก็ไลยย่ยาคนนั้นก็ใช้เงินใช้ทองคนนี้ก็ใช้เงินใช้ทองอาความบริบทชิไหนครับมีมันไม่มีกรหาที่นั่งไม่ได้แหละดูไปเลยครัท่านดูเปีลยดูใจของเราเราเคยทํามาอย่างไรครับไอ้พวกเรามานี่ปริ ว, วัตอาบัติเด็กๆน้อยๆมันบุบบิดมาเหมือนกันเนี่ยครับ บูดบีดมืดคัสบางทีก็เดือดไปเกลือไปเกลือไปเดือแต่คนที่ยังว่ามีความละอายอยู่สงสัยอยู่ระอยอยู่ครับตนนัวนี้ถ้าใครทีไ ม, ม่มีความระยมันเสียหมดเลยทีเดียวครับเรื่องพอดีนายมันเสียเรื่องมันเสียเราก็ไม่รู้จักการอย่าง น, นี้นี่คือข้อปฏิบัติมันต้องเริ่มไปจากศีลครับจากพอวินยัย พระบิดาทุกข้อนะครับในในในาบะโควาตเนี่ยนะในตะกูวาดในภูพธิขานี่ยค่ะเอาไปอ่านดูเถอะครับไปอ่านบางสักนักก็กว่างทิ้งเลยฉีทิ้ง เ, เงงนี่ยเหนียวหัทางเ้านี่นี่มันเป็นใไยยงอย่างนี้เขาก็ไม่ชอบใจกันเรื่องพระบิดนานไม่ชอบมรรคแต่ชอบปฏิบัติมรรคเดินทางมั น, มนถูกต้องแต่เขาไม่ชอบเดินตามทางะ เดินนอกทางออกไปมันจะไม่ถูกจุดประสงค์เท่านั้นแหละครับนี่เรื่องสมาธิถ้าหากว่าของสกรปรกโรคราคอยความเชื่ออะไรต่างๆไม่ออกจากใจของเราแล้วมันมีความผิดอยู่สงสัยอยู่สมาธิมันจะเกิดที่ไหนนี่นี่สมาธิไม่เกิดความราบรื่นในจิตของเราไม่เป็นผู้มีผู้สนได้หรือปัญญามันจะเกิดตรงไหนครับ ดังนั้นพวกเราทางไห น, นพยายามทําให้มันสมบูรณ์ถึงจะมันไม่สมบูรณ์ก็พยายาม mm. นะถ้าเราตัดเตือนกันเอ้ยพุทธชนอ่าอืม mm. นานาจิตตังนี่นก็แตกแเส้ามจีกันทานเลยใครคิดยังไงก็ทำไปอย่งงางนั้นเป็นนาณ า, าจิตตังเอานานาจิตตังมาเป็นที่ปรึกษาเราเนี่มาเป็นรากฐานเราอ่ะก็ไม่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยเท่านั้นเนี่ยครับ ผมอยากทำผมก็ทำผมไม่อยากทำผมก็ไม่ท ำ, ทำเพราะอะไรมันนาจิตฟังนี่จะว่ายังไงมันแตกกันทางนั้นนะครัมันแยกกันทางนั้นเนี่ยอันนี้จะผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะว่าเป็นอย่างนี้เนอ่ยเรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเหมือนอาหารของเราเนี่ยครับเอา้าแต่พระมีนายอศีลเนี่ยมีสมาธิมีปัญญาไม่พอศีล ถ้าเป็นอาหารของเราก็ดียกว่ามีหวานอย่างเดียวครับมีแต่หวานแค่นั้นนะเนี่ยมันไม่มีมันครับมันไม่มีมีแต่หวานอืถ้าเพิ่มจะมาที่ขามาแล้วนะมันมีมันเลยครับมันมีหวานแลต่ก็มีมันเนี่ยนี่มันดีไปอย่างนี้ถ้ามีมันแต่ก็หวานไปมันก็ไม่สมบูรณ์ครับมันต้องมีหอมอีกอ้าวสามอย่างนี่สมบูรณ์เลยครับ จะเป็นอะไรจะเป็นอาหารภายนอกก็ตามเดี๋ยมันสมบูรณ์แล้วมันมีหวานเนีมันก็มีมันแล้วก็มีหอมนะมันก็ชวนในคนทานไปเตรียมที่มันเท่านั้นเนี่ยครับมันชวนไปแล้วอย่างนี้อันนี้มันก็หวานก็ไม่มีครับมันก็ไม่มีครับหอมก็ไม่มีก็มีเต็เหม็นแต่ว่ามันหอมมันเหม็นของธมจันอื์นี่ มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรามุ่งการกระทำของเรานี่ไม่ใช่บาเรามุ่งอย่างอื่นนะครับีรามาบวชเนี่ย